เทศอบรมพระวันที่15สิงหาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีตลอดกันธรรมะสูงสุดหน้าบีพูดธรรมะต่างๆตลกขบขันเป็นคติดีไปตลอด วเวลาท่านนั่งได้พิ่มหนัเรียบเรื่องมันไม่ตกหัวเรดดื่อัไม่ตกมือเลยนั่ม า, าต้องการดินต้องขาไมา้ต้องการอะไรไม่ ใ, ใชเสิ่งมันแสดง ว, ว่าท่านต้องการความสงบสมัดถือความสงัดเป็นพื้นผอมหรือเป็นเวทีของการทํามาน ได้แก่พิจตภาวนาต่าุนิปังภาวนาเป็นการเป็นงานปากีิตจิตใจไว้กับการงานคือพิจตภาวนาจริงๆในเราด้เห็นได้ว่ามันผิดกันขนาดไหนศาสนาคูณนับถือศาสนาทุกวนันไม่ว่าพระหรือฆราวาส ข, ข้างขุนชะกาลเราหลักเดิมของท่านมีร่องรอยไว้ตามตรรานั้น มาทียบเคียงเ้าจะเห็นได้ว่าไกลกันมากทีเดียว เ, เป็นคนละโลกไปเลยเพระผมก็ดีสาวุสมุรบรมกันก็ดีสอนให้ต่างแนเดินจงคมนั่งสมาธิภาวนาบอกแต่สถานที่เหมาะสมบอกแต่อุบายวิธีที่จะเกี่ที่ิจิตรปัญหาอาาัปปละเป็นหม่ดทินนั้น ดังที่ไปพูดเสมอว่าทำที่ควรฉันนานี่ท่านกล่าวกันเป็นพื้นแห่งการฉินนาการ น, นั้นมีสันเลขาธทรมเป็นสําคัญนั่นสันเลขาแปลว่าซักฟอนกนาะขัดเกลวซักฟอกพิเล็กคําพูดก็ให้เป็นการซักฟอกกิริยาแสดงออกมาก็ให้เป็นการซักฟอกกิเลก กิดชิดออกมาก็ให้เป็นการซักพ่อขี้เล็สมชื่อจึงสมชื่อสมนามของผู้มาชำระซักพ่อกิเล็กออกจากใจมาใช่ผู้มาสังสงแต่เวลานี้มีแต่กิริยาเข้าไปบวชคําว่าบวชนี้ได้พื้นเพามาตั้งแต่ข้างกุทธกามการบวชก็คือการไปสลักิเหล็ไปตัดขี้เหล็กฐานาสะวะสายยิง <c oughs> เชื่อใ น, นตรงนั้นบวกเวลากระทาไม่ทําอย่างไรเป็นการสั่งสมวิริยกลับตรงมันข้างเขาหลักธรรมเราขึ้นในไปเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงคำหนึ่งถึงร่องรอยที่ท่านแสดงไว้ในตําหนักตําลาเอามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นหลักแท้เป็นอุบายวิธีที่ท่าน ได้ดำเนินมาแล้วทุกอย่างได้ลผลเป็นที่พอใจจึงได้วางร่องรอยเอาไว้ให้ผู้ต้องการทําระสาษีิเ็ษได้ดำเนินตามวิธีการของท่านที่ได้ผลมาแล้วอย่างไรเละได้วางร่องรอยเอาไว้แม้งั้นเราจะไม่เห็นทราบจะต้องลอยเลยนะจะมีแต่ตัวหนังสืออยู่ในความภีความมักขุนพา อานก็อ่านกันไปเงี้ยเรียนก็เรียนกันไปเ ง, งเรียนออกชื่อเอาเสียงเรียนสังสมกิเลสไปเสียการเรียนก็เรียนเพื่อสังสมกิเลสถ้พาปฏิบัติไม่ทราบปฏิบัติหนึ่งนะนั่นไม่ปรากฏแล้วการปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะแสงประกอบการสังสมกิเลสไปในตัวด้วยจึงผิดถ้าประสงค์ของพระพุทธเจ้า นัความมุ่งหมายของศาสนาธรรมให้พากันคิดให้ดีมาประพฤติปฏิบัติอย่าคอยเอาตังแต่ความคิดความรู้ความเห็นจากการได้ยินในฝังของครูบาอาจารย์เท่านั้นไม่พอกับความต้องการาครูบาอาจารย์สอนสอนให้ฉลาดทำอะไรทําอย่างไรถึงนเจ้ล่ะต้องเป็นนักคิดนักต้นขวานักวิจารณ์ตรดต่อด้วยความมีสติ ในทุกสิ่งตัวอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทางตายของสมองเลี้งกายใจของตนไมจฉะนั้นจะหาความฉลัดไม่ได้ถ้าสติปัญญาไม่กระดิกตัวเลยหาความฉลาดไม่ได้จนกระทั่งมันตายพระพุทธเจ้าพระสาวุกทั้งหลายท่านฉลาดด้วยสติปัญญาสตาร์ความเพียรไม่ใช่ฉลาดฉลาดโดยการเฉยเฉยเดินจงกลงก็อยากคนชินถ้าสติ จิตลอยส ต, ติไม่มีตามวัตถัยเดินเท่าไหร่นะเขาคิดอะไรกับเขาเดินจยูตามถนนท้นถั ง, งสิ่งที่ผิดกันก็คือสติตปัญญานี่เครื่องรื้อฟื้นจิตใจที่ล่มโทรมด้วยอำนาจแห่งการกดขี่บังคับของจิเรศให้ขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระภาพก็ด้วยส ต, ติกับปัญญา ธรรมะสภาความเพียรคือเชื่อต่อมาต่อผลเชื่อต่อการทํานี้ว่าเป็นไปตามหลักธรรมของวิจารต้องอยู่พ้นีรือลำบากความเพียรจึงต้องหนุนเสมอหนุนให้พยายามเร่ยหนุนให้ตัง้งสติหนุนให้คิดด้วยปัญญาหนุนให้จุดให้จางในการทำหน้าที่ไม่ให้จุดให้จางในเรื่องความมีสติในเรื่องความคิดอ่านใจจองเรียกว่าความเพียร มันเพียนอยู่ที่จิตนะั้นหลักใหญ่ยอยู่ที่จิตอาการการอยอะไรนี้เป็นแต่เพียงอาการเดินไปเดินมาถ้ามีสติก็ไม่ผิดอะไรก็เขาเดินเล่นเขาเดินเล่นเขาไม่มีเจตนาประกอบความเพียนยังไม่เลวยิ่งกว่าเราที่เดินตั้งคิดว่าตนเดินจนคนน่าสมาึิแต่หาสติไม่ได้วันนี้เลวกว่านั้น เร็วกว่าเขาดินธรรมดาเพราะนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนั้นมีเวลาในนี้เด็กที่จะตรองตั้งมั่นเริ่มทำลึกตื้นย่างละเอียดเทิดพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในทางหลักตำราเป็นสติเครื่องเตือนใจได้ดีทุ่เนียทุ่มหมถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาตาม ธรรมะทั้งหลายจะมีคุณค่าไปโดยลำดับในตำราอย่างนี้มันไม่ค้าอย่างนั้นก็เหมือนกับเกขุนทองแก้เจ้าขาแก้เจ้าขาแต่เวลาแก้มาดูถึงไม่รู้ว่แก้วคือนอกจากุผนไม้เท่านั้นมันถึงจะรู้ว่าขุนทองอันนี้เ็เรื่องที่เรือดปันหามันคว้ามัดมัดๆัอะไรเป็นเรื่องของเดือดทัญหามันติดเป็นปัวพันดูดดื่มมันมีวันอิ่มพอ ถ้าอะไรเป็นอัดเป็นทังที่เรียบเหมือนตัว่าแก้วตัวขามไม่ค่อยจ ะ, จะเล่นด้วยความเพียงก็อ่อนเข่าอ่อนเดินยังคงเพราเขาอ่อนนั่งของมันจะก็ดูจะแตกร่างจะแตกออกมาในขณะนั่งภาวนาเขาจะตั้งสติจะตั้งจะเพื่อในรับปัญญาเพื่อการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อตนบ้างก็อ่อนแอไปหมด อทอดแห่เลยมีนางสร้างคน เ, เรือให้พิเลตขึ้นเกี่ยวย่ทําลายอย่างนี้จะไม่มีหวังแล้วการประกอบความเคียงกิตไม่มีความเคยมีความสงบเลยไงเงยเป็นเรื่องของพิเลตไปทั้งหมวล ท, ทั้งที่เดินยังคงนั่งสมาธิภาวนาอ ย, อยู่นั่นแหละแต่การทํางานเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลตบังคับให้ทําไม่ใช่อำนาจของทำบังคับให้ทําแล้วจะเป็นอัดเป็นธรรมมาจากที่ไหน เราคิดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติมันทึงมีข้อทดสอบกันมนถึงมีการบวกลบคูณหารได้เห็นผลจากบวกคูณหารมากน้อยขาดทุนหรือได้กำไนมันก็รู้ผลตกออกมาอย่างไรบ้างถ้าใช้ปัญญาต้องรู้ต้องเข้าใจตัวเองวันนี้เราเดินจึงครมทั้งนั้นนั่งภาวนาทั้งนั้นจิตทุกกับสติปกปัญญาไม่มีความพันพันข น, ขนาดไหนหรืแบบ เขาเดินตามบ้านตามเมืองแบบคนเขานั่งอยธรรมดานะเขานั่งธรรมดาไม่ดีกว่าเรานั่งชินท่าไมนมีที่ติอยู่ภายในตัวขนาดที่นั่งภาวนาต้องคิดต้องเตือนเจ้าของสมุนผู้ปฏิบัติต้องความบุญพ้นอย่านอนใจไมนมีสิ่งใดที่จะพาให้นอนใจได้แล้วไหนพวกนี้ท่านบอกทุกหบดทุกอย่างอย่าตอบอย่าสแสวงอย่าดิ้นรน เป็นเรื่องของไฟเพราะอาหาไฟทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังหน้าตาบอกไว้หี้แน่นอนที่ไหนอย่ายืดอันน้จังทุกขหน้าตาเกี่ยวเหมือนกับไฟต่ไปยืดมันก็เหมือนกับไปจับไฟพิจรนนารณาเรื่องอนนี้จังทุกขังหน้าตานั่นติงถูกถ้าไปติดเนี้ สมมติต้งองจาบทุกขังต่างๆไม่ว่ามากว่าน้อยต้องเป็นทุกไปตามความหนักเบาของสิ่งนั้นๆที่จิตใจปฏิบัติไปห้องนั้นการนานอะไรก็ไม่มีนี่แต่การเดินุล่มนอกสมาพิภาวนาสังเกตจิตใจของเราโดยไถ่เดียวทําไมจะไม่เข้าใจจะไม่รู้วิถีทางเดินของจิตเลสมันเดินด้วยอุบายวิธีใดเพราะเรา สติปัญญาที่เจรณามันสอวจสองดูมันสติปัญญาเป็นสาคัญมากที่จะรู้ช่องทางของพิเรตอุบายวิธีการพิเลตหลอกเราต้มถึงเราเราต้องทราบในว่าจะเป็นร่าการที่แดงขึ้นไปอาฆาตคนีเป็นโทสะคนนีเป็นงุดหนิยดอะไรคนนี้แต่นั่นจะขึ้นที่ใจขาดใจเนี่ยประคับคระคองตัวอยู่แล้วอะไรขึ้นมาไม่ก็รู้มันก็รู้เพราะใจก็แส้รู้สติคอยรับทราบสมองก็สมองกําหนด กดเกมดูเหตุทดูผลกันอยู่ในที่ตรงนั้นหายม่หายก็ไม่ต้องไปพลาดไปกันเอแต่ต้องตากความต้องการเป็นตัญหาทุกเกิดขึ้นอยากให้ทุกหายไปความไม่สะดวกสบายใจเกิดขึ้นอยากให้มันหายไปโดยไม่ทําเหตุให้เกิดขึ้นด้วยการชาระนั่นก็หายไปไม่ได้ยิ่งจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมากมายเป็นหาที่ตรงหวางไม่ได้อืข้าข้อสังเกตจิดเป็นสำคัญ พยายามให้เพื่อนนะครับมีได้มีโอกาสประกอบความภักเพียนเรารักเราสงวนหมู่เพื่อนมากเรารักสมาธิธรรมมากเรารักการเดินถึงคนนั่งสมาธิพาว น, นามากเราถือเป็นเมื่อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจฝักเป็นฝักตายกับงานเหล่านี้จริงจรงเพราะผลเป็นที่ถุ้นต่อความบุพ้นจาะพูดได้ก็บพวะงานอันนี้งานอื่นใดไม่สามารถที่จะ ทำจิตให้หลุดพ้นได้ยิ่งกว่าเราที่ตัดภาวนาคือการชำระตัวสารที่เดชด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาของเราที่ควรจะเป็นไปได้อยากให้เพื่อนฝูงได้เข้า อ, อกเข้าใจในเรื่องคําว่าสมาธิเป็นต้นไปเป็นยังไงสมาธิมีความสงบเย็นอย่างไรบ้างถ้าจิตจดจ่ออยู่กับสติปัญญาจดจ่ออยู่กับสิต สังเกตจิตอยู่เสมอจิตจะไมีเวลาเพ่งพลาดความมังความนิ่งมาเป็นยาพิษเขาสารตัวเองถึงกระโดดมาจิตจะต้องมีความสงบถ้าจิตมีความรื่อด้านโลภผลประการใดใช้สติปัญญาสกัดรัดกั้นรักกั้นโรคอุบายต่างๆสติปัญญาเหนือกว่าที่เหลือต้องยอมจำนนดังที่เคยพูดแล้วว่าปัญญาอบรสมาธินั่ น, นเป็นวิธีการห น, นึ่งคือวิธีการ ในขณะที่มันถาโถก็ต้องใช้กันอย่างเต็มเหนียวเอาไปเหมือ น, น, นจะเป็นจะตายในขณะนั้นจริงๆจนกระทั่งเข้า อ, อกเข้าใจแั่แล้วจิตมันโหดตัวเข้ามาหมอกรากคําว่าจิตหมอกรากขมายุ่งกี้เลยเหมอกรากเข้ามา ย, งยาังอีกสู้สติปัญญาไม่ได้หรงอเหนี่ยที่เราจะได้คําพูดมาพูดจากเป็นต่างล้วก็ได้ในเวลาพนนั้นเอง บางครั้งกี่ผาดผลไปทางราคะกุศลใส่ฐานสติน้ําตาล่วงมันเอาเป็นเห็นโทษขนาดนั้นมันถึงกันจริงจริง น, นะเวลามันเป็นแก้กันอุบายทันมันเห็นโทษนั่นนั้นก็มีแต่ตากุดทัดเจนแล้วในตัวของเราเองนะจิตถ้าสติปัญญาพิจารณาเป็นฐานหนึ่งขันเพราะความทุกข์ความลำบาก มันทับถมโจมตีภายในร่างกายเนื่องจากการนั่งนั่งนานอันนี้ขอโท้าสติปัญญางานทของเราที่เคยทําอยู่กับส่วนใดชิ้นใดก็ตามอันเป็นส่วนชิ้นของการภาวนานเหมือนกันแต่ต้องไม่ปล่อยเวลาทุกเวทนามันโหมตัวเข้ามาเต็มที่แล้วต้องปล่อย น, นั้นก็ามาต่อสู้กันด้วยปัญญาไม่ยอมให้หนีไปไหนเลย หมูติวหรือไงนี่ทุกก็กำหนดด้วยอย่างจริงใจไม่ยอมลดละสติสตินี้จ่อจริงๆเหมือนนักมวยเขาต่อเธอไม่ได้เธอเป็นเสียท่านี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นขุดค้นกันเป็นเห็นดำเห็นแดงรู้จริงเห็นจริงแยกประเภทกันออกเป็นกัดเป็นสวยเป็นสวยด้วยความเข้าใจจริงๆ เม่เาไดเข้าใจธรรมเนนนั้แล้วความอัศจริจะไม่เกิดได้อย่างไรพลังจอัศจริข้ายิปไม่มีในโลกนี้แล้วอะไรที่จะเวลวร้ายยิ่งกว่าจิตก็ไม่มีเหมือนกันแล้วฝึกผัดได้แล้วอะไรจะเกิดกว่าจิตก็ไม่มีจิตจรินของสําคัญและเป็นทนารนะอันเหมาะสมกับอัตธรรมทั้งหลาย มันรรคผลมิพานเป็น ข, ขึน้นผันแล้วยพยายามออกจิตให้ได้พยายามฝึกอบรมการอดอาหารนั้นยิ่งเป็นการทุ่มเทกําลังลงหลังากนั้นแล้วก็ยิ่งหนักนะอนักิดธรรมดาอยู่มากอดอาหารผ่อนอาหารก็เพื่อจะสติจะจังของเราจะได้คราบตัวเมื่อผู้ถูกกับ ผลิตนิสัยถูกกับการอดอาหารการผ่อนอาหารการภาวนานในเวลานั้นจับข้องตัวผิดกว่าเวลาปกติธรรมดาที่ฉันดิบถูกว่าแต่ท่านผลิตนิสัยไม่ถูกแล้วมันก็คลี่ไปสูโนรโกกลายเป็นความกังวลวุ่นวายแต่กับเรื่องอาหารการกินเป็นต้นญาลงไปหมดไม่เป็นความเปลี่ยนให้เช่นนั้นเรียวกว่าไม่ถูกเกยผู้ถูกผลิตร่างกายก็จะเบาตัวลงและจิตใจก็จะข้องตัวการ ทำความเพียรด้วยสมาธิสติก็ดีแมนจะพาะอย่างยิ่งความง่วงง่วงเหงาห้องนอนก็ไม่รบกวนนี่ก็พอให้เราทราบได้ชัดว่าการง่วงเหงาห้องนอนมันเป็นเพราะอำนาจของอาหารทั้งถ่านทุกอย่างพอเราเราพอทราบได้เขาบอกไปที่สองวันสามวันแล้วความง่วงที่ไหนไม่เห็นมา ก, กวนนั่งอยู่เท่าไหร่ก็เป็นเหมือนหัวต่อจะกําหนดให้จิตสงบแั้วก็แน่วของมันก่อ ไม่มีอะไรกวนใจเลยอยากจะออกข้างน้านปัญญานี้ก็หมุนที่อยู่ที่อยู่เหมือนน้ำซัดน้ำซึมคร่องตัวอคือความถูกเจลิบนีสยัยไม่ว่าข่านใดของจิตตภาวนาของธรรมภายในใจเมื่อถูกกับจเจลิบเึ่นอย่างการอุอาหารการต่อยอาหารบูบาวิทีด้วยการทำเช่นนี้เป็นเครื่องสนับสนุนตลอด ถ้าสตินิสัยแม่อำนวยแล้วก็ขัดตลอดไปเหมือนกันเราอยากไปฆ่าเประหมายออกจากเนื้อจากตัวไปเพพ่ออย่างยิ่งคือออกจากใจไปว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นจริงคณิกะสมาธิเป็นอย่างนั้นน่านั้นอุปจารสมาธิเป็นอย่างนั้น่ น, น, นั้ น, ม, น, น, น, น, นมันคาามันเดาไปนะ ปัญหาสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาจิตรวมถรวมอย่างนั้นนั้นจิตลงก็ลงอย่างนั้นอย่างนั้นมันมากมันคาดมันหมายจากความจริงที่ซึ่งเป็นผู้จะเป็นตัวเสียอันใดที่จะเป็นก็คือใจจะเป็นสมาธิประเภทใดก็คือใจวิธีการที่จะทําให้เป็นสมที่ประเภทมันนั้นตามหลักธรรมาชาติคือผลที่เกิดขึ้นตามหลักโดยหลักธรรมาชาติ เพราะอำนาจสิทร็จเมืเกิด ก, ก, การกระทํากิตัดโผลมาเป็นเครื่องสนับสนุนจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจเองเป็นคณิกะอุปจาระอปนาอยา่าไปคาดจหมายอย่าไปหาให้ชื่อให้นามยิ่งกว่าการเจอความจริงคือตัวจริงเข้าไปนี่เป็นความถูกต้องชื่อเหมือนอย่างการรับทานอาหารหวานไม่หวานก็ช่างเถอะเด็ดมันไม่ไป เ, เห็นไปเรียนวิชา ความรู้ชื่อเสียงของอาหารการบริโภคขนมมาจากที่ไหนยื่นมันดูสิอันไหนอร่อยมันก็รู้เด็กมันรู้ตั้งแต่มันไม่รู้ว่ามันหวานมันขมมันอะไรชื่อน้ํามันเป็นยังไงมันไม่ได้คํานึงถึงชื่อถึงอย่างมันรู้ในตัวเองนั่นคือรสดอกคำรสธรรมชาติอันนี้คือรสของสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ให้เป็นตามธรรมชาติของตนที่คิดขึ้นมาได้โดยลำฟังตัวเอง ไม่เกี่ยวกับการค่าแรางงานให้ชื่อให้นามต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่ามากคิดให้เสียด้วยลาเป็นสมาธิประเภทใดก็จะรู้จดิตนิสยนัยของเรามันเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทใดมันหนักไปในสมาธิประเภทใดก็ให้มันจะรู้ขึ้นไาในใจิตใจเมื่อเหตุเป็นเครื่องสนับสนุนโดยความสุบต่อกัน อ, อยู่แล้วคือเหตุทิตสติความเพียรเป็นเครื่องหนุนกันไป จะเป็นความสงบสงบวิธีไดก็ต า, ามเราทราบด้วยกันทุกคนนั่นแหละคือจิตตามปกติมันยึ่งสร้างนองการคิดนุ่น่นายนี่ยิ่งกว่าเลีงร้อยตัวตพอพยายามภรวนามีทำเป็นหลักใจให้ใจยืดมีสติสตางค์บังคับบัญชาอยู่กับงานแห่งการบริกรรมหรือการสำรวจนั้นนานจิตไม่มีทางเล่นเล่ารวยจิตทางอื่นมี่ทำเป็น ดูเป็นที่ยึดแล้วผัสสงบตัวเข้าไปจะสงบแบบไหนก็าตามเมื่อสงบเข้าไปแล้วเราต้องทราบผลแห่งความสงบนั้นคืออะไรก็คือความสุขความสบายตามขั้นแห่งความโูม้ก็ทราบเองจะเป็นคณิกอนะอุปจาระอปนาก็ตามอย่าไปคาดคิดให้เกี่ยวกับเรื่องเวลา น, นี่เป็นการเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาด้วยก็เป็นอารมณ์อดีต เราเคยเห็นในตำนานเราไปยินจากครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างนั้นนั่นนีเป็นอารมณ์อดีตแล้วเอามาขับขวางงานในวงปัจจุบันของเราซึ่งกําลังจะทําอยู่นี้นั้นก็ทํางานปัจจุบันนี้ให้ล้มไปได้คิดแต่เป็นหมายุอดีตโดยไม่ไ้วยสุดตัวไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตให้ลบล้างไว้ทั้งหมดในขณะที่ทํางานในวงปัจจุบันจะให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคิดจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ ห, หลูก็เราเรียนทําเพื่อรู้ ป, ปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อรู้เราไม่ได้เพื่อหลงทำไมมันจะไม่รู้จิตเป็นตัวรู้อยู่แล้วจะรู้ขึ้นในลักษณะใดชอบวิธิการอย่างการภาวนาอย่างใดบทใดก็ต่างมันจะรู้ขึ้นมามันเป็นส่วนผลประจับกับใจนี้แหละมันพูดไว้ถึงแบบเป็นถแบบะมกะ่อย่างนั้นแต่เจริญนิสัยของคนเรามันเหมือนกันเมื่อไรั้งทีวนานาจิตตาง ธรรมะมีแปดหมื่นสี่พัธรรมขันธ์ที่พอประมาณด้วนแล้วตั้งแต่เพื่อเสด็จจิตใจของคนจํานวนมากซึ่งไม่เหมือนกันนั่นแหละเหมือนอย่างคนไข้คำว่าคนไข้คําดียวมีความหมายก ว, ว้างขวางไม่ทราบว่าเป็นโรคชนิดใดไข้ชนิดใดหลายประเภทแต่เรียกว่าคนไข้หมอจะมีตั้งปต่ยาขนานเดียววิช า, ขาแขนงเดียวได้เหรือต้องมีวิชาหลายแขนง ทั้งดุทั้งยาเพืให้ทันกับเหตุการณ์ที่โรคมันมีจำนวนมากเนื่องจากคนมีจำนวนมากด้วยกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเตียงบทเดียวบาทเดียวก็ไม่ทันกับเหตุการณ์ที่จริตนิสัยมันเป็นมาจากที่อของตัดทั้งหลายนั่นเหมือนการมีจำนวนมา ก, มากเพงต้องมีบาวิธีสอนให้เหมาะสมไปทุกๆุกรายไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมาก ตราจะไิดทำไมมาให้รู้กับตัวของเราเป็นของสำคัญความตั้งมั่นสมาธิมันต้องมั่นไปถึงแต่สมาธิที่เป็นเหตุมั่นในทางความเพียนมั่นคงในความเปลี่ยนสติก็ ม, มั่นไม่วันไม่ไหวไม่โยกไม่คลอ น, นความเปลี่ยนเป็นต้นเหตมันมั่นไปจักนี้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 ใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาโดยสะดวกสบายคือจิตสงบนั้นคือจิตพออินตัวจิตไม่มีหวุหงิในอารมณ์ทั้งหลายเนื่องจากได้ทําเป็นอาหารขอ ง, งใตายมีความทั้งหมดเย็นตจก็ไม่ฟุง้งซ่านหลงค้างเมื่ อ, อ, อสายมื่เจ็บมื่อหงุดหงเรานําไปพิจารณาทางด้านใดเมื่อใดสติปัญญาก็ทํางานให้เป็นเป็นเม็ดเต็มหน่วยความรู้จริงเห็นจริงเมื่อสติปัญญาทํางานให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยด้วยความ จะเจอต่อเนื่องกันอยู่แล้วต้องรู้ต้องเข้าใจไปโดยลำหนักลำหนักมีฮาเซนที่ลงใจสอนด้วยความแน่ใจสอนอหนู่เพื่อนสอนด้วยวามร้นร่อนไดอกสอนด้วยควา ม, ววามวววแ น, ามน่ใจว่าได้เคยปฏิบัติและปรากฏมาแล้วจึงแนะนำมาสอนหีก่เพื่อนา ง, างดาเขาแยกประเภทออกไปเป็นขนาขนา นั้นก็มาตกไปคิดให้มากเมื่อปัญญามันมีความคล่องตัวเพราะการฝึกปัญญาพิจารณาอยู่เสมอมันก็คล่องตัวไปเรื่อยๆมีความรวดเร็วไปเรืเ่อยเขียบแหลมไปเรื่อยจนกระทั่งต่อเนื่องกันไปโดยลำบากกันหมดนั่นคือการ ก, การฝึกหัดเนี่ยมันสมชื่อสมนามว่าเราบวชมาสานักที่ดีออย่าบวชมาเหมาะกราบพิริโดยไม่รู้สึกตัว เดินจงกรมก็เดินกระพิเลศนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งกรบพิเลศอยู่นั้นนั่นหมอะราบเกลือนเวลาคาบความรู้สึกตัวไม่ได้เพราะไม่มีสติมีแต่เรื่องของกิเลศคิตอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เ็นเรื่องของพิเลศ จ, จะทั้งมวลมัเลยมเป็นเรื่องมาภาวนาเพื่อกําจัดพิเลศกายมาเสริมกิเลศมาคล้อยตามพิเลศมาเหมอะราบคาบแก้วเข้าว่ะคือหมอะราบคาบแก้วไม่มีทางไป ยอมอย่างหมอกราบนะก็เรียกมอกราบครับแก้วอย่างนั้นอย่าให้เป็นนนักต่อสู้หรอเราให้จริงให้จริงในมัน ม, มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความเครื่องไหวของจิตการทังเกตสังเกตสิ่ ง, งนั้นรู้เคลื่อนไหวตลอเวลามีทั้งขารความตรงสัญญาความหมายสัญญามีความละเอียด มากยิ่งกว่าสงขานเป็นที่ไหนแม้ปัจจุบันนี้เราทาพอยู่นั่นเรากทราบรายละเอียดน่ละเอียดมากยึ้ไม่ต้องประตูงขึ้นเป็นภาพเป็นแค่ไปมันแสดงขึ้นให้เป็นภาพเหมือนกับน้ําคัดน้ําคุนมันค่อยซึมออกมาเป็นน้ํามันได้เป็นขัญนใหญาไเป็นเรื่องเป็นลาได้สมัยโดยไม่ต้องปรุงคือขึ้ญ่แต่ยังไงก็ตามขึ้นชื่อว่าขันห้าแล้วก็คือกองที่จังตุกของน้ําตา ถ้าเรารู้พอเร า, าไม่รู้เท่าทันมันมันก็เป็นเครื่องมือหลอกลวงเราได้เพราะนี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสมันหลอกลวงเราไม่ต้องพยายามาให้ฟินให้จังใมาทก็อยากให้เห็นในวงปฏิบัติของเราผู้บาเพ็ญภาวนาในหน้าที่อันนี้โดยจบปัญดาก็อยากให้รูกเห็นด้วยใจของตัวเอง นีแต่ฟังคาพูดของหมูเผื่อนหรือครูบาอาจารย์มันก็อย่างว่าแหละเหมือนเราเดินไปแล้วไปชมตั้งแต่ศีลตลาดของเขาสินค่าของเขาสมบัติของเขาแต่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเงินจะตั้งจะเป็นเครื่องขงเป็นสมบัติตัวเขาไม่มีก็ดูไปนั่นแหละก็ชมตั้งแต่สมบัติของพระพุจ้าสมาธิสมาบัตินะพระผลนิพพานชมเฉย เย็นม า, มากโคมใจใช่ไหมหรือรู้มากเห็นมากเออไม่รู้มารู้อะไรไจังมองจังมองไม่สิดทีตัวนึงเขไม่เห็นหยุดรอแต่เพราะความเย็นรู้นั้นถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าเกื่อใจเลยจะไม่เกิดผลอะไรเพบการจำมาพาเข้าใจทใุกตรงนี้มันจะกลายเป็นโพชิลัตน่ะคือว่าเว ล, ลาเก่ า, า, า, าเวลาเก่าเย็นตบเก่าพอล้นตบเล่าตายทิ้งตบเก่านะ มีท่านอารยมาธมแสดงโปริีักพันแปลหูยอกย้อนหลายสั่นพันขมยูหูถึงร้อยสั่นพันผมท่านแสดงหมวล้นก็เป่าหัวล้านก่ะเป๋าเอาเลยนี่ว่างหน้าท่นท่านั้นเพราะทําพลิกได้ทุกง่ทุกมุมให้ถึงตจของผู้ฟังให้มีกัดไจฮึสู้เลยด้วยกันเอาหน้าต่างปัญญาต้องเกิด ผู้พยายามผู้ขายตังตรงเข้ามาอย่าไปเอาเรื่องอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคกิดขวางตัวเองเรื่องทั้งหลายส่วนมากเก้าเก้าปเ็นตเป็นเรื่องของเดทั้งหาเราจะในช่องเดียวอยาหนึ่งเปอรเซ็นตาไม่เอาจำนวจากจะมีในเรื่องของพิเดตเก้าสิเก้าอาวุธเขามีเก้าสิบเก้าเรามีอาวุธอันเดียวสู้ขไม่ได้งนั้นต้องฝึกขึ้นให้ดีพอให้จริงให้จัง การพิจารณาร่างกายของก็จริงแตพิจารณาผ่านอมผ่านไปผ่านไปเราไม่ไม้พิจารณาเพื่อนับเอาเวลาเดเวลานับเอาเที่ยวของการพิจารณาแต่ละพิจารณาเพื่อความรู้จริงถึงจริงมันจะจีบตลกทบทวนข้างใหม่เอาให้จริงให้จังบ้างทับกิศไว้ในที่ไม่ใ้มันไปจนกระทั่งมันยอมจานวนเราให้เห็นดังชัดๆหนึ่งมันยอมได้จริงจริงก็เป็นิเลสนันแหละยอม เวลาพวกเราไยินถึงเนี่ยถึงผลถึงเป็นถึงสายด้วยจิตปัญญาของเราเหนือกว่าจริงๆแล้วมันหมอกราจเห็นรับชัดเดียวนั่นเห็นไม้นะขึ้นอุทานจะเจ๋นขนาดไหนเหนือที่จิตปัญญ า, ยย า, ยาที่พริพุทธาทรงสอนไว้จะได้หรือนะอเพราะเกณฑตัวมันผลมันมีมันผานผลถ้าจิตปญญาก็ต้องผ่านผลจะวัดมากความเหมาะสมเครื่องปรากมัน ต้องผ่านผมันอ่อนตัวลงมันก็มีเครื่องมือตากันไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้เวลาจิตใจเราพิจารณาในขณะขั้นเริ่มแรกมาปฏิบัติเนียโอ้โหจิตมันดิ้นรนโกรธกังวลเหมือนเราจะสนตะไคร้ควายวัวอะไรนี้มันจะชนยังเัี้ยถ้าท่านตกของอ่าเันหนักเข้าหนักเข้าก็สู้คนไม่ได้ สนพายจนได้อันนี้หนักเข้าหนักเข้าก็สู้เราไม่ได้สู้ความเพียรพ ย, ยายามไม่ได้มันก็อ่อนลงไปความกำลังลงไปตติปันาก็มีกำลังขึ้นจิ ต, รร ก, ก, ตรรก็ตั้งหลับตั้งฐานได้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายใ น, ในใจิตใจไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวรีเดียดร้อนเป็นไฟเผาแกลบอยูภายในจิตใจตลอดเวล า, เ, าเป็นไฟเผาแกลบเป็นยังไงหนึ่งมันร้อนสมอย่างนั้น มันเผาเราสมอยู่มันไฟมาเกิดเลี่ยาขมันออกเลิกมันออกมีความเปลี่ยนจิตมีความสงบแล้วมันเย็นไปเองไอเรื่องแบบที่ร้อนสมอยู่มันก็หายหน้าไปพอจิตมีความสงบตั้งตัวได้แล้วมีเต็นท์เคยเป็นนั่นไหมแล้วหย่อนนอนใจเงเป็นเท่านั้นเอาขยับเรื่อย ขณะนั่งสมาธิเอาให้จริงให้จังกับสมาธิ unting, พเพื่อความสงบขณะปัญญาฐานพันหมอกเอาให้จริงให้จังกับเรื่องของปัญญาหาอุบายทุกคนดูรงไหนแล้วจดจ่อคงนั้นมันเกิดอุบายเองถ้าดูไม่จดจ่อแสดงว่ามีสติกําหนดไปตรงไหนจดจ่อไปคงนั้นความรู้จดจ่อคงนั้นแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรที่แยบขึ้นมาเป็นอุบายของวิตกปัญญาขึ้นมาเป็นช้างเป็นข่าวไปเม่อยเมอยเพราะยังมีสติตาม การพิจารณาเถอะมันจะสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมานยนยแยกแยกไปตรตไหนเข้าใจไปเกิดความแยกกันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เป็นท่าปัญญาเริ่มไายตัวเป็นอย่างนั้นมีขั้นเริ่มแรกของการฝึกติดเพื่อเป็นสมาธิก็ยากลำบากหนะักแต่ไม่ถอยไม่พ้นความไม่ถอยจนนี้จนะได้ต้องเอาเอาส่วนได้สงบส่วนได้อ่อนกําลัง เปนดาพิจารณาปัญญาต่างกายไม่ว่ะกายภายนอกภายนมาสัตว์ไม่วบุคคลพิจานณาเป็นปัาชาพืชดิบทั่วโลกธรรมเป็นไงเราจะพอใจอยู่ไหมอยู่กับปราชาพืชดิบเราก็เป็นปัาชาเขาก็เป็นปัาชาต่างอันต่างเป็นป่าชาพืดิบเกินเลยในแผ่นดินนี้ แล้น่าดูที่ไหนอันใดเป็นสาระพอที่นที่ผืนใจมันไม่มีจารพิจารณาถึงเรื่องอสุภะอสุภังปฏิปุจจุือตัวควบมันจะเป็นอย่างนั้นแต่พูดเรื่องความตายอันนี้จังถึงเรื่องตายดรืทุกขงังไปถึงชาติปูตตคาจะมานำปุตตคาขงังมันก็ถึงตายมันก็มีแต่โลกนี้มันเหมือนโลกตายแล้วนัน่นับวันนับเวลาเหมือนเขาก็เอาสั้า แต่ค่าไม่รงฆ่าสัตว์ตัวนี้ไป น, นั่งไปนั่งไปนั่งไปนั่งไปนั้งไปนั่งเดือขึ้นมานั้นความตามัจับจองไว้ทุกรูปทุกนามไม่ว่าหนุ่ว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลวัยใดก็ต า, ามมันจองไว้แล้วดับโดยอดเป็นุ๋ยผู้นั้นผู้นั้นตายผู้นั้นผู้นี้ตายผู้นี้ตายอันนี้เราก็ถูกจับจองไว้แล้วนี่พิจา้ําเห็นนี่ท่งนเลยเรื่องของปัญญาไอ้ทำมันซึ้งเข้าประภัยจิต เราเนี่ก็ถูกจองกับปีกาไว้เลยคเป็นเพียงเจ้าของไม่ทราบเขกัดหญ้ากินหญ้าลุย้ยไปเหมือนวัวเหมือนควายเขาตีกาไว้บนท้ายหรือบนหลังแล้วน่ะมีกาแล้วแสดงว่าวันวันใดวันหนึ่งตีกาไว้เลยครัอันนี้เขาก็ตีกาแลยนะพย า, ยามาตุล่าส่วนคนิจจางความแปรราคามันตีกาตลอดเวลาเสียงมันตีกาที่ลัน่ลนโลกระถาง เป็นหูดับตับไหม้ตัวนึ่งา้ามันเป็นเสียงนแล้วก็ฟังได้ดยหูเรานี่หูมันแตกสมองแตกตาาอัไรแบบเพราะเรื่องนี้จทุกข์ของห่ า, ามันกับเพื่อนโกมันตีกาฝาบยู่ทั่วสญญารพังร่างกายของเราไม่ว่าบนบนบล่างทั่วทุกอวัยวะภายในร่า ง, งา ก, ก, กายมีแต่กอทุกข์หน้าตาสับตีกาตลอดเวลาตื่นหลับลมันก็ตีกาอยู่งั้นมันไม่หลับเราไม่ล ตื่นขึมามันก็ตีล่างชันอาหารดูว่าโอ้ยมันนี่อาหารอหารอร่อยนะมันตีกลายทาัทง้ทงทั้งที่กําลังอร่อยเลยนะี่พยายามลุย้ยเลยนั่นที่พนะมันเสริมเ ง, งินเลยนีย่จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาเป็นความผิดนี่เป็นทางเดินของกฎรัฐจัดเป็นอย่างนี้พิจนาให้เข้าใจขนสมบัติมันเป็นสาระสําคัญคือใจอย่าได้เป็นหมักดองอยู่ด้วยกันก็สิ ก็ปกหค้มุมไป็นกองในจังทุกขังกายานี้ถอนตัวออกมาเพราะใจเป็นสาระสําคัญมากแต่ใจเราไีที่หาสาระไม่ได้ทั้งๆงที่มีสาระได้ก็เพราะใจไปหลงติดอยู่ในอาตจบแห่งความหาสาระไม่ได้เรื่องทุกังทุกขังตายที่เทียบเหมือนอาตจบแล้วมันจะมีสาระยังไงเ ม, มันไป จ, จบไม่มมมได้จบแม้แต่ทองทั้งขท้ไปจบไม่จบมันยังไม่น่าดูที่จิตใจมันเลื่อนวิ่งกับทอง ท, ง ท, งทงั้งแทปไหนไหน เราติดใจกับอารมณ์คือทีโรภที่โกดที่หลงแล้วมันมีคุณค่ามาจากไหนจึต้องพยายามเพื่อให้จิตได้ถอนตัวออกมาจากกองอันจังกองทุกขังก็ บ, บีบอีกคราวหนึ่งร่างกายไหนตัวไหนเป็นจัตว์เปคนเป็นเราเป็นเขาปฏิวิตอะไรที่ตรงไหนอแม้แต่ยีในจิตมั น, น, นมึนเราไปหลงที่ไหนเวลาที่เป็นงานเอามันจริงมันจาิ ให้เห็นปจักพ์ภากิตเพราะทําเป็นของสิ่งเราอย่ปีงเกลียวกับความจริงของธรรมที่ท้านแสดงไว้นรเรียกับธรรมท่ตั้งเป็นค่าสุดไปเสมอเพราะฉะนั้นจีตเดีดร์จิตาัญญาใจความนความรู้ต่างๆที่แสดงมาจากใจของเราตึงค่านั้นกับธรรมะเสมอแล้วหย่าเริ่ม ท, ทำลายธรรมเดี๋ยนี้จิตตัวเอาตัวนี้เอาให้ดีนาใมันเห็ น, ม, ห น, ห น, ไไหนมันซึ้นหนึ่งไปซึ้น่งไปแล้วมันดีดเองจิตความเพียรดีดขึ้นเอง เนียวแน่นที่เจ้แต่นักเล่าเี็บไม่ถอ ย, ถย ก, ก, ก็ปีพญากะหมนที่อย่พิจรณาจนเข้าการเป็นที่เข้าใจเวลามันออกตะเวนโอ่โหโลกาชาตินี้นมันทั่วถึงหมดพัญดาขั้นเตืเนียออกจากร่างกายของเทียม ท, ท, ทุกสัตว์ทุกส่วนทั่วสารทั่วโลกาชาติมันพิจารณาเป็นลักษณะดเดียวกันที่หมดไม่มีทางสงสัยจะตรงสัยตรงไหนอะไรก็เหมือนกันแบบนี้ มันยิ้มเข้าวิ้ออกเทียบเคียงกันได้ทุกสส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงอย่างทีนี้จิตภาระของจิตมันก็เรย่นเข้ามาแคร่เข้ามาเพราะกิเลสมันแคบเข้ามาเนื่องจากความหลงแคบเข้ามาใกล้ตัวเข้ามามีวงแคบเข้ามาไม่หลงเอาอย่างกวางขวางลึกลับจนกระทั่งมองไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนีสติสัญญาเริ่ตีต้อนมาได้ตีต้อนเข้ามาตีต้อนเข้ามารวมมันเข้ามา สุดท้ายก็มีแต่กันห้าเนี่ยตีทั้นห้าเนี่ันแหลกละเอียดเนยกองรูปก็เหมือนรูปทั้งหลายอยู่แล้วเนี่ทัศนาความสุขความทุกข์เกิดขึ้ทั่วโลกมันก็มีด้วยกันแต่ของโลกของศาลเขาของเป็นของเขาก็มาเห็นเป็นทุกข์ถึงเราแของเราที่มันทําให้เกิดทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นมีปัญหาเห็นทัดเกิดีย์ใสมาหนักมันเัาวิ่งถึงกันเองเ่อไอ้เรื่องที่อัศนาสัญญาสังขารมีใหญ่ เพมันเกี่ยโยงกันไม่ใช่ว่าจะพิจารณานี้แล้วเสร็จ น, นี้จะพิจารณาแล้นเสร็จนั้นพิจนั้นพิจารณาอะไรก็อเอาเถอดขอให้สัญญามันหยัง่งซึ่งลงไปตามหลักความจริงเช่นหลักความจริงในในสังขารหรือหลักความจริงในสัญญาอะไรก็ตามมันจะวิ่งถึงกันมาแล้วข้าวสารอย่างชาติเกิดเมื่อเข้ า, จาใาจาแล้วมันจะไม่ปล่อ ย, อยมันก็ต้องปล่อยเลยที่ไม่เขาา้าใจนะมันถึงยืดมีเรียนเพื่อความรู้เรียนพิพัจารนา ปฏิบาาัติทงพลาดตี่ตักันลาเพื่อรูร้เพื่อค้ามใจเรื่องของตัวเองเรื่องมันหลงมันล่มลงจงมุกิดสิ่งอันจังทุกข์ของหน้าตาทั้งภายน อ, อกภายใ น, นรู้เชื่อของสิ่งามสิ็นใดนี้แล้วศีลธรรมญาณก็ถอยตัวเข้ามามำนั้นหมดที่จะรบที่หมดที่จะฟาดจะฟันมันก็ถอยเ ข, ข, ข้ามาถอยเ ข, ข้ามาแค่เข้าไปแค่เข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายมันยังเหลืออยู่ที่จิต ฟาดมันหลกเลยทั้งหมดสรุปสร้างได้หรือไม่จีิงเพราฟาดตรงตรงนั้นละเละเอียดตรงนั้นแล้วที่ไหนจรินอันนี้จังก่อเลี่ยทุกครั้งก็เลียงน้าตาก็เดี่ยงซอยรางวัลจันทร์จริงนั่นนหละทําทั้งสามประเภทนี้จึงเป็นทางเลยเพื่อระมีเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วทําทั้งสาม ประการนี้ก็หมดหน้าที่ทั้งตัวแบบเช่นเดียวกับเราเดินทางมาถึงจุดที่หมายแล้วสายทางนั้นๆก็หมดความหมายหมดหน้าที่ไปปิดใจแบบก้าเข้าไปเป็นอย่างนี้ยถึงที่หมายแล้วเรื่องนี้จังทุกาตที่พิจารณากันเหมือนธรรมาจากรนก็หยุดเองเครื่องจักรอันนี้เพราะเครื่องจักรอันนี้เป็นเครื่องจักรที่ฟา่การหันหลังต่บที่เด็ดเมื่อกี้เด็ดไม่มีแล้หมุน เครื่องท่านใหม่นั่นงานทั้งพิธีการท่ทานทำอย่านี้ตรงนั้นสาเร็จมะผลมีพานอยู่เรี่ยตรงนี้สําเร็จอยู่ที่ในเขาลุงนั้นในป่านั่นฝันมีทํา ง, งานอย่างนี้ไม่มีงาน้วุ่นวาวานงานสั่งสมกิเอสเจียบเยอะชื่อเสียงอย่ามาพูดเลยมันลงๆแล้งๆมันหลอกเจ้าของหลงบ้าดังเข้าใจผิ นี่เลยตัวเนี้ยสําคัญมันตัวหลอกเหยียดที่นี้ชื่อเขียงชื่อตรงไหนอะไรมันจะยิ่งกว่าทาํามวาดลงไปให้มันเห็นธรรมภายในใจเด็กมันต่อยหมดน่ะเหนื่อยอะไอดเปล่าเหยียดที่ยศชื่อเสียงสมมุตินิยมมาลาละกามมันเหมือนของเด็กเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนีน่ถ้าลงไล่เห็นของจริงแล้วมันต่อยหมดไม่มีอะไรที่จะเหลือตกค้างเลยขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีที่จะตก ค, ค้างในภายใน นั่นเป็นผลถึงใจตั้งแต่ครั้เดิมแรกลม ล, งลงุกคุกข้ายแตเป็นแทบตายแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นเพราะการฝึกการอบรมการรักษาการบำรุลงตัวเองย่อมมีความเจริญขึ้นไปได้ดีเพราะจงเห็นคุณค่างการบังหรักษาปฏิบัติตนเกิดเองคือใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก งานคิดแต่ภรวนาให้ถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นเราจะเอางานใดงานอื่นมาเป็นเครื่องแก้ความลำแขงนั่นคือความลำแขงคือการเพิ่มความลาแขงเข้าใจไหมเมื่อจิตมันหนึบเต็มที่มันน้ําระคาสุกหมดมีวันจบได้งานของจิตตภรวนามีวันจบได้มันเหมือนงานโลกธรรมนั้น ทำไปจนกรั่งวันตาตาด้วยความห่วความย้ายยึดถือสิ่งต่างเป็นความทุกข <contaminated. S 1> ์พับผมตัวเองไปตลอดอุปนิสัยหาความสุขความสบายไม่ได้เลยงานของกิตตภาวนาทังำ功德แล้วหายห่วงอนาฬโยหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไว้ตามเป็นสิ่งของเขาแม่สุดในร่างกายของมันจะเป็นอะไรก็เป็นสิครูกันอยู่แล้วเรียนกันเรียนการพัฒนาจิตทํามแนมสบายการเรียนแล้วมันเป็นยัไงเรื่องของกาย ให้จำทุกข้าราคาเป็นตัวโฆษณาจิดทางมันเนียนจนขวางตาเต็มตัวอังที่ท่านพูดแล้วในวาระสุดท้ายสะเพยธรรมาน า, านนรังอานิยูสัญญาท่าทัา้งฟวไม่ควรถือมั่งในเวลานี้จะถึงที่ที่อยู่แล้วอยากไปกอดบันไดามานถึงที่แล้วให้อ ก, กอดบันไดยอย่าไปกอดบันไดเลยูคนง่ายคือว่าระสุดท้ายนั้น ให้ปล่อยบันไดหัวทาทั้งหลายนันหมายถึงคําที่เป็นสมมติทั้งมวลเลยเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วให้ปล่อยทั่งบันไดที่ก้าวขึ้นให้ปล่อยนี่ทั้งพิจารณาอยู่อย่างเรื่องเดิมบันเทิในงานทั้งตนขั้นนั้นขั น, ขนะยเพราะว่า ถึงที่หมาตตาตาแล้วทีม น, น, นี้เป็นธรรมารตาทั้งหมดต่อนปไม่มีอะไรเลเลยจางนั้นจางทุกขาราตาแต่คืออะไรนั่นไม่ใช่สมมติไม่พูดก็ไม่หลงไม่พูดก็เข้าใจไม่พูดก็รู้เมื่อถึงขั้นรู้เต็มเป็นกู่มแล้วไม่พูดก็รู้อยู่ที่ไหนก็รู้แม้สมมติก็จอมปากก็คือจอมปากเทาก็ให้พิสิทไม่มีอะไรที่จะไป เป็นปัญหาอีกแล้วมันเป็นปัญหาของโลกอนี้่มันยุ่งก็ยุ่งกับโลกนี้ชาวบนที่จะมาเอาให้จินให้จ่ายอันละต่อนี้าานนจยจะให้ท่านปัญญาอธิบายให้หนูด้วย